คนขี่กังวลจะแผ่เมตตาไม่ได้ดีคนแผ่เมตตาได้ดีจะหายจากโรคขี้กังวลได้ความเป็นคนขี้กังวลคือเหตุให้จิตจดจ่อคับแคบอยู่ตลอดและติดนิสัยหมกมุ่นครุ่นคิดเปล่าๆปี๋ๆแบบไม่หาทางคลายปมไม่ได้คิดเป็นเส้นตรงสู่ทางออกซึ่งลักษณะจิตที่ขมวดเข้ามาผูกเป็นปมนั้น เป็นตรงข้ามกับเมตตาอันมีลักษณะแผ่ภายออกกว้างไม่จำกัดฉะนั้นหากเป็นคนที่กังวลก็อย่าแปลกใจเมื่อสวดมนต์แล้วไม่เป็นสุขแผ่เมตตาออกไม่มีแก่ใจอุทิศบุญกุศลจริงในทางกลับกันหากได้แนวทางสวดมนต์หรือแผ่เมตตาอย่างถูกต้องอยังผลให้จิตแผ่ภายและเกิดสมาธิแบบเปิดกว้างได้เป็นปกติ ก็ช่วยคลีคลายโรคกังวลจนหายขาดกันได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือเผลอๆอาจจะไม่กี่วันเมื่อจะสวดมนต์หรือทำสมาธิการนั่งคอตั้งหลังตรงเป็นเรื่องสำคัญเชิด้างนิดหนึ่งให้รู้สึกว่าใจเปิดกว้างขึ้นและทอดสายตาไปเบื้องหน้าเหมือนมองขอบฟ้านิ่งๆถ้าเผลอกล้มหน้าหรือตาหลุดหลิ ก, ลก ก็กลับมาเชิดคางท่อตามองตรงใหม่ทุกครั้งยิงสวดมนต์หรือยิงทำสมาธิในอาการนี้ก็จะยิ่งรู้สึกว่าจิตเปลี่ยนจะขมวดเป็นเปิดแผ่มากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งจิตตั้งมั่นคงที่อยู่ในอาการแผ่ออกคุณจะยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นเรื่องไหนในโลกน่ากังวลให้เสียจิตเสียเวลาปัญหามีก็แก้ไป ไม่เห็นจำเป็นต้องทำจิตขมวดเป็นปมเลย